เรื่องพระอังคุลิมานเถระหรือที่คนไทยเรียกว่าพระองคุลิมารพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปราบพระองคุลิมานเถระความพิสดารว่าพระเถระบวชในสำนักพระสัสดาและบรรลุอรหัตแล้วไปนั่งหลีกเร้นอยู่สวยวิมุตติสุขแล้วแปลงอุทานว่า ก็ผู้ใดประมาทแล้วในก่อนภายหลังไม่ประมาทย่อมอยัางโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นแล้วจากหมอกฉะนั้นรั้นเปล่งอุทานแล้วก็ปริณิพานด้วยอนุปาที่เสสนิพานธาตุภิกษุทั้งหลายทูลถามพระศาสดาว่าพระเทระบังเกิดที่ไหนหนาพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย บุตรของเราปรินิพานแล้วภิกษุทั้งหลายองค์กุลิมานฆ่ามนุษย์มากเพราะเหตุที่ไม่ได้กัลยาณมิตรจึงได้ทําบาปในการก่อนแต่ภายหลังเธอได้กัลยาณมิตรเป็นปัจจัยจึงได้เป็นผู้ไม่ประมาทเหตุนั้นบาปกรรมนั้นอันบุตรของเราละได้ด้วยกุศลตรัสพระคถ า, านี้ว่า บุคคลใดละบาปกรรมที่ตนทำไว้แล้วด้วยกุศลบุคคลนั้นยอมอยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นแล้วจากหมอกฉะนั้นในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติพลเป็นต้นดังนี้แหละหมายเหตุเรื่องของพระองคุลิมาเทระ บวชแล้วออกเดินบินธบัหญิงมีคันแก่แลเห็นก็ลนลานจะหนีล้มลงด้วยความตระหนกตกใจกลัวพระเทระจึงเข้าไปกล่าวว่าดูก่อ น, น้องหญิงตั้งแต่เราได้บวชแล้วได้เกิดเป็นชาติของพระอริยะเจ้าแล้วไม่เคยรู้จักการทําร้ายแก่ผู้ใดเลยด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่คันของเธอเถิดเป็นต้น แล้วหญิงนั้นก็คลอดลูกอย่างปลอดภัยดังมีมาในบทอังคุลิมาลปริตตังต่อมานิยมนามาสวดทําน้ามนต์คลอดลูกง่ายหมายเหตุผู้อ่านการที่คลอดลูกง่ายด้วยการสวดมนต์นั้นเป็นการอ้างสัจจะวาจาความจริงอ้างคุณของพระอระหันต์เพื่ออธิษฐานจิตนะครับดังนั้นการที่สวดโดยที่ไม่เข้าใจแปลไม่ออก แล้วกลายเป็นยึดถือบทสวดในพระปริตรต่างๆเป็นของขลังเป็นของศักดิ์สิทธิ์สวดแล้วจะโชคดีจะได้ผลต่างๆนั้นก็น่าจะเข้าข่ายในศิลปะตาปรามาสเป็นการติดลทัทธิพิธีถือมงคลตื่นข่าวอันขวางการบรรลุธรรมขาดเหตุขาดผลในทางพระพุทธศาสนานะครับแต่ถ้าท่านที่ต้องการสวดเพื่อเอาสมาธิก็ยังพอมีประโยชน์อยู่บ้างแต่ก็อยากจะให้เข้าใจ หลักการความสำคัญความเป็นประโยชน์ของการสวดมนต์ที่แท้จริงก่อนด้วยนะครับ